เขาบาวัดนี่หมายถึงว่าทำเป็นประจำพระ เ, เจ้าก็ตัดทวงว่าตัวท่านเนะ่เป็นกามโภโคีหรือว่าเป็นผู้บริโภคการมคือเป็นคารวาสนะท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์ส่วนพระที่บินถบาดเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดหรือว่า นุ้งหงผ้ามังสกุลเป็นวัดเนี่ยคือพระที่เคร่งนะนะเคร่งในทุดงขวัดเนี่ยที่ทำตัวหน้าตาหนิหน้าติดเตียนก็มีอยู่มากนะสุดท้ายพูเจ้าก็บอกว่าถ้าจะถวายทานก็ถวายกระสงเถิดก็คือถวายสังฆทานสังฆทานเนี่ยหมายถึงทานที่ถวายกะสงที่เป็นหมู่คณะ ไม่ได้จอดจงนะอย่างเศรษฐีคนนี้เนี่ยก็จะถวายทานแบบจอดจงว่าเออถ้ารูปนี้เป็นพระอรหรันต์จะถวายถ้ารูปนี้อยู่วิหารอยู่วัดนะไม่อยู่ป่าเป็นวัดไม่นุ่งห่มผ้ามงังทกุลก็ไม่ถวายนะถวายแต่เฉพาะผ้าที่นุ่งห่มผ้ามงังสกุลผ้ามงังทกุลคือผ้าที่เก็บมาจากศพนะหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมังสรกุลแปลว่าเปื้อนฝุ่น อันนี้คำจ่ายของพุทธเจา้านี่ก็เน้นว่าให้ถวายสังฆทานดีกว่าคือถวายแบบไม่จอะจงไม่เลือกนะเอาคำท้งตึขงของพระพุทธองค์นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนจำนวนมากนะที่ไปไปบอกว่าพระองค์นิน้นองค์นิ่งเป็นอรหรันนะแล้วก็ตอนหลังก็เพราบว่าอา้าวไม่ใช่เป็นพระอรหรัน เป็นผุุ้ชนแล้วก็อาจจะเป็นพระที่เรียกว่ า, าประพฤตินหน้าลังเกียดด้วยซ้ำอย่างเช่นในคำนี้ก็มีหลายคนแต่งตั้งให้เป็นอรหรันต์คนที่แต่งตั้งนี้ไม่ใช่พระนะส่วนใหญ่ก็เป็นคารวะก็แต่งตั้งอรหันต์กันมาแบบนี้หลายรูปแล้ว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 คฤหัตอีกท่านหนึ่งนะเป็นเศรษฐีเันกันชื่อว่าอุคตาคฤหบดีนันท่านก็รักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญธรรมมามากจนกระทั่งเนี่ยเทวดานับถือเทวดาก็จะมาบอกท่านว่าพระองค์นี้เป็นภรริยเจ้าพระองค์นี้นะเมียพินยาพระองค์นี้ เป็นพระธุศีลมาบอกทําไมมาบอกเพื่อที่จะได้แนะนําให้ท่านเนี่ยถวายทานกับพระที่มีคุณวิเศษอย่านงะเช่นพระองค์นี้เป็นเมียพิญญาก็ถวายทานนะพระองค์นี้ไม่มีไม่มีพินยาแถมยังเป็นพระทุศสีลอย่าไปให้นะคือผู้งานก็แนะนําว่าให้รู้จักเลือกให้นะเทวดาหวังดีนะ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 อันนี้สแห่งทานนั้นเสมอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่รู้จักให้ทานกนะ็คือถวายกัสงนะซึ่งเป็นสิ่งที่พระาจารย์นสนับสนุนควาว่าถวายกัสงรือสังฆทานนี่ชาวพูเรายังเข้าใจไม่ถูกกันอีกเยอะคือไปเข้าใจว่าถ้าถวายกับพระแล้วเนี่ยเป็นสังฆทานหมด น, น, นั้นไม่ใช่นะ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 มีศรัทธาในพุทเจ้ามากก็ทำจีวรอย่างดีมาถวายพระองค์ก็ปฏิเสธนางก็ยืนย่างถึง3ามครั้งพระองค์ก็ปฏิเสธถึงสามครั้งแล้วก็แนะนำว่าให้ถวายกับสงเถิดเมื่อถวายกับสง์ก็เท่ากับถวายกับพระองค์อันนี้ก็เป็นสะท้อนถึงเรียกว่าอะไรส pirit แบบพุทธนะคือว่าในเรื่องหมู่คณะมากกว่าตัวบุคคลอันนี้เป็นลักษณะเด่นเป็นหัวใจ เป็นหลักการหนึ่งของสองฆ์หรือชาวพุทธคืเน้นเรื่องหมู่คณะให้ความสำคัญกับหมู่คณะมากกว่าตัวบุคคลนะพระพุทธศาสนาอยู่ได้นี่ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลที่อยู่ได้มาถึงสอง0นปีนี่ก็เพราะว่ามีหมู่คณะช่วยกันสืบทอดศาสนาหมู่คณะคือบริษัทนะก็คือตั้งแต่ภิกูนบริษัทภิกษุนีบริษัทนะอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัท พูะเจ้าท่านเห็นความสำคัญของหมู่คณะนะก็จึงให้นิยมให้แนะนำให้ถวายสังฆทานนะเพราะว่าถ้าเราเป็นเน้นถวายตัวบุคคลมากเกินไปเช่นถวายคนพระที่มีคุณนิวิเศษพระทีเ่เป็นเมียพิญยาหรือเป็นภ ร, ริยาเจ้าถ้ามีข่น้นเนยวแบบนี้นะพระที่ไม่มีคณนิวิเศษอะไรหรือไม่แสดงคุณนิวิเศษ